ب سم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمامتواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط السابع ويحتوي على سور هود يوسف الرعد إبراهيم ن ن ا ้ بود ามบทฮุดบทฮุดเป็นบทมักียามี123องค์ เท่าความสนใจต่อหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามคือการศรัทธาต่อหลอศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนตลอดจนได้กล่าวถึงปลอดความเป็นมาของบิดานับีอย่างละเอียดเป็นการปลอบใจท่านอบีมูฮัมมัดสลด ล, ล้อหัวเลวอิสลามในขณะที่ท่านประสบกับการทำร้ายของพวกมุสริกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาขับขันที่เผชิญกับท่าน คือหลังจากที่หลุงของท่านคืออบูตเอเลบและพัญญาของท่านคือคอดิยะได้สิ้นชีวิตลงในระยะนั้นองค์การต่างๆได้ถูกประทานลงมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแกบ่บรรดาเหลู่ซุนซึ่งได้รับการทดสอบน้านาชนิดท้งนี้เพื่อให้ท่านนับบี้โมมัสสลลลลฮ่วยละวะสลัมได้ยึดถือเป็นแบบฉบับในการอดทนและมีความหนักแน่น บทเริ่มด้วยการเทิดพระเกียรติของอัลกุรอานซึ่งได้ถูกประทานลงมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านหลังจากนั้นได้กล่าวถึงพื้นฐานของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยการพิสูจน์ทางสติปัญญาพร้อมกับการเปรียบเทียบระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและฝ่ายที่หลงผิดต่อจากนั้นได้กล่าวถึงศาสนทูตที่มีเกียรติทั้งหลายโดยเริ่มด้วยเรื่องของดบีนวัวอไลสลา บิดาคนที่สองแห่งมนุษยชาตินอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของด บ, บีฮูดอะไลสลามซึ่งบทนี้ตั้งชื่อตามชื่อของท่านต่อจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของด บ, บีซอเล่เรื่องราวของด บ, บีลูดเรื่องราวของด บ, บีชูอิบเรื่องราวของด บ, บีมูซาและฮารูอลัลลอฮ์ทรงประทานพรและความสันติแก่พวกเขาทั้งหลายต่อจากนั้นก็เริ่มโดยการวิ จ, จารณ์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 ขีตับอุหกิมตอายะตุมทั้มฟัซลตมิลลดัดอุหกิมิลขบิบอัลลิฟลามรอคัมพีที่องค์การทั้งหลายของมันได้ถูกให้รัดกลุ่มมีระเบียบแล้วถูกจำแนกเป็นเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้งจากพระผู้ทรงปริจายานผู้ทรงเชี่ยวชาอัลลอฮ์บูดูอัลลอฮ เพื่อพวกเจ้าต้องไม่เคารพพักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮแท้จริงฉันได้ร <webs> ับการแต่งตั้งจากพระองค์ท่านมาอย่างพวกเจ้าในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายและข่าวดีาาาสออัุมมมมมลย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 เพิ่งทราบถิดว่าแท้จินพวกเขาปกปิดความลับไว้ในส่วนอกของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะซ่อนความเป็นสตรูจากภูม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 คุุณลมมฟีกตบบและไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่ำลงในพันดินเว้นแต่เครื่องย่างชีพของมันเป็นหน้าที่ของอรรรและพระองคทรงรู้ที่พมนักของมันและที่พักชั่วคราวของมันทุกสิ่งอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งแลอยว่าัวที่แลออตย้ว และโรงสร้างสร้างบรรดาชันฟ้าและแผนดินในระยะเวลาหกวัน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 นอกจากเล่กอย่างชัดแจ้ง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 และถ้าเราได้ให้เขาลิ้มรสความปลดปลารหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบกับเขาแน่นอนเขาก็จะกล่าวว่าความชั่วร้ายต่างๆได้ผ่านพ้นจากฉันไปแล้วถ้าจริงเขานั้นเป็นผู้คึกขนองยิ่งยะโสอย่างแน่นอนล วเว้นแต่บรรดาผู้อดทนและกระทาความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการอาพยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ ออิ น, นมาและบางที่เจ้าจะทิ้งบางส่วนให้มีองค์การลงมาอย่างเจ้าแลว้วโฮกของเจ้าจะอึดอัดต่อสิ่งนั้นโดยที่พวกเขากล่าวกันว่าทำไมเล่าขุมทรัพย์จึงไม่ถูกส่งลงมาหรือทำไมมะลักจึงไม่ถูกส่งลงมาพร้อมกับเขาแท้จริง เจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรักษาทุกสิ่งหรือพวกเขากล่าวว่ามุฮัมมัดได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมา มูมัดกล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนำมาศักดิ์สิทธิ์บทที่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้นให้ได้อย่างอักขระและพวกเจ้าจงเรียกผู้ที่มีความสามารถในหมู่พวกเจ้าอื่นจากอัลลอ์ให้มาช่วยถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริลลลับอาง อนุนมุมมมสลิหากพวกเขาไม่ตอบสนองการเรียกร้องของพวกเจ้าก็าจงทราบเถิดว่าแท้จริงอลัลกุรอานถูกประทานลงมาโดยความรอบรู้ของอัลลอฮ์และนั่นคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้ายังไม่ยอมจำนวนอีกหรือนนกนนาะุุรดดว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 และสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ก็จะสูญเสียไป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 ا أ และผู้ดใดเล่าจะทายิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่อหลอชนเหล่านั้นจะถูกนำมาเสนอต่อพระผู้อภิบาลของเขาและบรรดาพยานจะกล่าวว่าพวกเหล่านั้นคือบรรดาผู้กล่าวเท็จต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา พิงทราบเติดว่าการสาบแช่งของลอจะได้แก่บรรดาผู้ที่ดดนอธรรมคือบรรดาผู้ที่ขีดขวางทางของลอและพวกเขาใคร่ที่จะให้มันคดเคี้ยวและสำหรับพวกเขาในประโลกนนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา คนเหล่านี้จะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในแผ่นดินนี้และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ปกป้อง นอกจากพะโล้ข้าลงโทษแก่พวกเขาจะถูกเพิ่มเป็นทวีคูณพวกเขาไม่สามารถที่จะฟังได้และไม่อาจจะเห็นได้ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาขาดทุนและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นนั้น ก็ได้เลดิดหนีไปจากพวกเขาโดยแน่นอนพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่งในปโลกัจจุบัน บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีและสารวมตนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกามม ع, ล لا, อุปมาของทั้งสองฝ่ายดังเช่นคนตาบอดได้หูหนวกกับคนมองเห็นและได้ยิน ทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกันหรือพวกเจ้าไม่ได้ไตรตรองดอกหรือและโดยแน่นอนเราได้ส่งมัวไปยังกลุ่มชนของเขาโดยเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกเจ้าแล้วออล คือพวกเจ้าอย่าได้เครพผู้ใดอื่นจากอัลลอถ้าจริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าถึงการลงโทษในวันอันจะปวด